3. โอวาดวัส 3. ภิกขุนูปัสยะสิกขาบทว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนักเรื่องพระชัพะคี 158. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณ น, นิคโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกะครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพะคีเข้าไปที่สำนักของภิกษุณี สั่งสอนพวกภิสุณีชาวพกคีพวกพิษุณีได้กล่าวกับพวกพิสูชาวพกคีดังนี้ว่ามาเถิดแม่คุณทั้งหลายพวกเราจะไปรับโอวาทกันพวกพิษุณีชาวพกคีกล่าวว่าทำไมพวกเราจะต้องไปรับโอวาทพวกพระคุณเจ้าชพักคีมาสั่งสอนพวกเราถึงที่นี่ทีเดียวพวกพิษุนีจึงพากันตําหนิประนามพลธนาว่าฉันใดพวกิสูชาพกคี จึงเข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายเล่าแล้วแจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุชาวพคีจึงเข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชัวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ